พ, พเราหลงคิดว่าเรารู้ตัวมันขาดาทันทีพอรู้ตัวมันขาดาทันทีแต่ลักษณะการขาดมันเหมือนคนสะดุ้งนิดนิ ด, นดคือพลิกแรงๆนะครับแต่พอช่วงเนี้ยพอรู้ตัวแล้วมันขาดนะครับมันมันเบาๆครับคือค่อยๆเห็นมันหายไปค่อยๆเห็นมันหายไปนะครับอันนี้คือมันละเอียดขึ้นหรือมันหลงมากขึ้ น, นครับ ในตอนแรกมันเป็นการที่ว่าหลงหลงไปเลยหลงไปทั้งตัวเลยหลงไปทั้งกายทั้งใจหลงไปปรุงหลงไปคิดหลงไปมีอารมณ์ร่วมกับทั้งตาหูจมูกลิ้นทายแล้วก็หลงไปตามความคิดหลงไปตามอารมณ์คือหลงไปทั้งกายและใจเลยครับเวลารู้สึกตัวขึ้นมามันเหมือนกับสะเทือนแรงมันมันหลงแรงเวลารู้สึกตัวมันก็เลยแรงคนี่พอมันรู้สึกตัวมากๆเข้าเนี่ยความหลงมันน้อยลงมันก็เลยกายเบาใจเบาในขณะที่กายเบาใจเบาเนี่ย มันเริ่มสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือกายเบาใจเบาเมื่อก่อนมันไม่มีมาตอนนี้มันเริ่มหลงอารมณ์ด้วยหลงกายเบาใจเบาหลงความรู้สึกที่กายเบาใจเบาแล้วก็หลงคิดด้วยครับแต่เพราะว่ามันมีกายเบาใจเบาเนี่ยเป็นฐานไว้เป็นหลักไว้ครับมันก็เลยเวลาหลงคิดเนี่ยมันก็หลงไม่ดุนแรงหลงไม่เบียร์อารมณ์แรงต่างๆเนี่ยมันก็หลงไม่ดุนแรงแต่ก็ยจะเป็นความหลงปรุงหลงคิดคอยู่แต่มันมีความหลงเพิ่มอีกอย่ก็คือว่าหลงไปจับความรู้สึกที่กายเบาใจเบา แต่แม้ก็ดีอย่างหนึ่งคือกายเบ า, เบาใจเบาเป็นฐานเป็นหลักไว้เหมือนกับเป็นหลักที่ผูกวัวผูกควายเราเชื่อผูกวัวผูกควายไว้วัวควายเนี่ยมันจะหลงไปไกลเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันติดหลัก ค, คือมันมีกายเบาใจเบ า, เ, บานเนี่ยเป็นหลักไว้มันเลยหลงคิดหลงปรุงไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยหลงไม่ไกลครับแต่มันก็ยังหลงอยู่ครับยังหลงอยู่นี่พอ มันก็คือหลงละเอียดอะหลงละเอียดแล้วก็ตอนนี้มันก็ค่อยๆมาเห็นเห็นผู้หลงที่ตึกตัวเราเนี่ยเป็นผู้ตึกผู้ตองผู้คิดผู้คำนึงผู้ตึกผู้ตองผู้คิดคนคิดวิจารณ์คิดวิจัยคิดสิงข้อธรรมคิดโลกคิดปรุงแต่งคิดปรุงปุงคิดเนี่ยมันจะละปรุงละเอียดอยู่ในความใบกายเบาใจเบานี่แหละมันจะเริ่มปรุงแล้วก็ ถ้าท่านเนี่ยไม่มีกายเบาใจเบาเป็นฐานเหมือนกับเป็นหลักผูกวัวผูกควายไว้เนี่ยจิตที่ปรุงแต่งเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยมันก็จะปรุงออกไปไกลเหมือนเดิมเนี่ยปรุงออกไปโลกเลยปรุงไปมีอารมณ์แรงอีกแต่ถ้าท่านมีกายเบาใจเบาเนี่ยเป็นหลักไว้เหมือนเป็นหลักผูกวัวผูกควายไว้มันปรุงยังไงมันก็จะกลับมาหาหลักนั้นครับมันก็จะกลับมาหาหลักคือปรุงไม่ไกลหลักแตอยู่กับกายเบาใจเบาแต่ก็ยังหลงปรุงอยู่ผมเห็นท่านเนี่ยครับยังหลงปรุงละเอียดอยู่ภายใน แต่บางครั้งเมื่อท่านไม่มีกายเบาใจเบาเป็นหลักไว้เนี่ยท่านก็ไปไกลเลยครับแต่ในการการที่ท่านเนี่ยยึดทั้งกายเบาใจเบาวไว้แล้วก็ยังปรุงละเอียดมันก็เป็นหลงทั้งอารมณ์และหลงคิดปรุงอยู่ยังไม่เป็นเนี่ยเอกขาตาจิตเหมือนหลวงปู่อามที่ท่านเขียนไว้เนี่ยที่ว่าที่สุดมันยังของท่านเนี่ยมันยังหลงตามรู้ตามอารมณ์รู้ตามความคิดมันยังไม่มาเป็นรู้เป็นหนึ่งเดียวที่ใจว่าเป็นเอกขาตาจิตเหลือแต่รู้ไม่หลายไปกับอะไรเลย ทุกอย่างในโลกนี้ทั้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่กระทบตาคุ้มจมูกลิ้นกายใจไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจใัยได้แต่รู้มันรู้ในความยังไงนะมันทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนโลกธาตุมันรู้อยู่ด้วยความเงียบความสงบความสงัดทั้งโลกธาต์ทั้งจักรวาลเรับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจความสงบความสงัดความเงียบความไม่มีอะไรเยเหมือนกับสงัดทั้งโลกธาต์เนี่ยก็ไม่มีความหมายต่อใจท่าน รวมทั้งความปรุงแต่งก็ไม่มีความหมายต่อใจท่านรูปเสียงกรีดลดกำผัดก็ได้แต่สักตะวรัรูไม่มีความหมายต่อใจครับนั่นเอม